ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พารานคอยระหว่างวันที่8ปดถึงสิพฤษภาคม2560ตอนที่หนึ่งก็จากวันนี้ไปสี่วันสี่คืนเรามาเข้าค่ายร่วมกันก็ถือโอกาสคุณครูถือโอกาสพักผ่อนคําว่าพักผ่อนเนี่ยพราครูพักผ่อนมาแล้ว28ปปีนะคือสร้าง หยุดสร้างกรรมหยุดคิดหยุดพูดหยุดการกระทำซึ่งเนื่องด้วยเจตนานะพักลบชีวิตเราสร้างกรรมตลอดตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดอยากได้นโน่นอยากได้นี่อยากไปกินโน่นอยากไปกินนี่อยากชนะแล้วก็วางแผนเอาเปรียบคนอื่นนะคนอื่นไม่รู้ว่าเราคิดอะไรแต่จิตเราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราคิดอะไรอันนี้เรียกว่ามโนกรรม เราพูดอะไรเราพูดปากหวานนะพูดเอาใจแต่ข้างในเราโกหกคนอื่นไม่รู้จิตบันทึกว่าเรียบร้อยว่าเรามุสานะเราทําเหมือนแสดงอาการทำวางวาดภาพดีๆแต่ในขณ ะ, ะเดียวกันก็ขโมยทํานูน่นทํานี่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์คนอื่นไม่รู้แต่จิตเราบันทึกเรียบร้อยนะสี่วันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยหยุดสร้างกรรมนะหยุดพัก ทุวนนี้เราทำงานเอาร่างกายไปทำมันก็เหงื่อไหลใครย้อยนะมันเหนื่อยแต่มันมีกําลังมันแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเราใช้ใจซึ่งไม่บริสุทธิ์ไปทาแล้วเนี่ยมันจะเหนื่อยเหนื่อยเพราะจะต้องหลอกคนอื่นเหนื่อยเพราะจะต้องขโมยทำอะไรเนี่เราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตไม่ได้นะก็เมื่อคืนพาอครูพูดถึงเรื่องบุญบาปนะก็ สี่วันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันสองวันแรกพอกูจะเน้นเรื่องการปฏิบัติทั้งคนเก่าคนใหม่เออเหมือนเราดู VCR เหมือนดูแล้วพอกูพูดจะเรื่องเก่าๆนะขนาดเรื่องเก่าๆกี่ปีฟังแล้วก็ยังทําไม่ได้สนใจจะเรื่องใหม่ๆพอกิเลสมันเบื่อมันต้องการสิ่งใหม่ๆต้องการสนุกสนานแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณก็ไม่เคยก้าวหน้าเลยนะฟังแล้วก็เข้าใจมันไม่เข้าจิต สมองรู้แต่จิตไม่รู้มันก็ทำไม่ได้นะเราเคยไปดูงานที่ก่อนพิทักษ์ถ้าเขาเอ้อละเหยแบบนี้นะ่ะโรงเรียนเขาเจ๊งไปตั้งนานแล้วแล้วพวกครูก็ไม่ต้องการให้เคร่งเครียดแบบนั้นก่อนพิทักษ์เขาสำเร็จใหญ่ที่สุดในกรุงเทพธุรกิจเขาเป็นพันพันล้านนะแต่ทุกคนเครียดหมดเขาถึงมาใช้โปรแกรมเช็คแอนด์แดนของเรา แต่เราอยู่ที่นี่เรากลับละเลยเขาเรียกว่าใกล้เกลื อ, ก, อกินดาใครไม่เจ็บปวดก็ช่างใครไม่อายก็ช่างพวกคูอายชาวโลกนะมีหลายอย่างสี่วันนี้เราคุยกันไอ้ที่ผ่านไปก็ผ่านไปเป็นบทเรียนอดีตเป็นบทเรียนถ้าเรา เ, เรียนรู้เรื่องอดีตเนี่ยปัจจุบันเราแก้ตัวใหม่ นั่นคืออนาคตของทุกคนทุกคนอยากนั่นแหละถึงไปเป็นหนี้พอเป็นหนี้แล้วก็กระเสือกกระสนไปทำความชั่วไปผิดศีลผิดธรรมก็เอาไปทำงานจนเกินขวบขอบเขตก็เอาเพราะความอยากแล้วสุดท้ายหาเงินมารักษาโรคเดี๋ยวสี่วันนี้เรามีอะไรแลกเปลี่ยนนะนะแล้วพระครูจะบรรยายเป็นช่วงๆตลอดสี่วัน คุณครูมีอะไรก็แลกเปลี่ยนไอ้เรื่องเราดีๆอยู่แล้วมันต้องมาสรรเสริญเยินยอ ก, กันหรอกมันเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องทำอยู่แล้วเราเป็นคนไทยเราต้องดูแลประเทศชาติบ้านเมืองนะเราเป็นชาวพุทธเราต้องดูแลศาสนาไม่ใช่คำว่าดูแลตัวเองเนี่ยถ้าแค่ดูแลตัวเองเนะเลี้ยง เ, เก่งๆหาเงินเยอะๆมาเป็นครูปุ๊บเออฉันฉั น, ฉ, นฉันลอดแล้วเนี่ย ถ้าอย่างนี้เนี่ยโง่กว่าลิงด้วยลิงไม่ต้องไปเรียนหนังสือไม่ต้องทํางานไม่ต้องมีเจ้านี้ลูกนี้มันก็อยู่ได้ทาสานก็อยู่ได้คําว่าครูนี่ยิ่งใหญ่มากคือผู้ประสาทวิชาเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราไม่เห็นความยิ่งใหญ่มันเอาแค่เป็นอาชีพฉันอยู่ได้เพอๆฉันก็คอร์รัปชันอีกอันนี้ไร้สาระคนแบบนี้ตายทั้งเป็นไอคนที่ มีหน้าที่ไม่ช่วยโอกาสทำหน้าที่นั้นสร้างอรเลียทรั์ให้กับตัวเองสร้างคุณประโยชน์ให้ตัวเองกับองค์กรกับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วยังไปทําชั่วอีกเนี่ยอันนี้ตายทั้งเป็นโดยเฉพาะตายในความรู้สึกดีๆที่พ่อครูมีต่อพวกเราคุณหมดเครดิตแล้วเพราะความอยากนะอันนี้มีเรื่องคุยกันเยอะสิ่งดีๆมีแล้วดีก็เป็นหน้าที่ของคุณครูของ คนซึ่งมีความนึกคิดก็เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่เอาความดีนะมาโอ้อวดกันนะดีก็ดีแล้วนะแต่ไอ้ละชั่วยังไม่ได้เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกปฏิบัติเราไม่ปลูกสำนึกตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วก็ถูกกิเลสตัณหาอุปทานความโลภโกรธหลงมันครอบงํานะ่ะเรก็ไปสร้างกรรมสร้างกรรมคือฆ่าตัวเองนะฆ่าศักดิ์ศรี ฆ่าเกียรติยศนะทำลายความซื่อสัตย์ทำลายความกระตันอยู่นะคนยุคนี้นี่แรงมากอาชีพอื่นแรงไม่เป็นไรนะเพราะมันเป็นธุรกิจแต่อาชีพครูเนี่ยเราไม่ได้ค้าขายโดยเฉพาะโรงเรียนเราเราเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ฟรีนะคุณครูเห็นนะเนี่ย น, นั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเด็กๆบังเอิญว่า เนรยังไม่ได้มาเนี่ยนะอนาคตของเด็กๆ เ, เหล่านี้นี่คืออะไรเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ธุระของฉันออฉันมีหน้าที่เอาตัวรอดแล้วสุดท้ายไม่รอดสุดท้ายก็แก้ปัญหาโดยฆ่าตัวตายไงไม่รอดทุกคนหนึ่งถ้าเราเป็นทาตกิเลสล้วไม่รอดเดี๋ยววันหนึ่งโดนดีๆแน่ๆนะพราะครูไม่เข้าใจ เออส่วนครูใหม่เข้ามาเนี่ยเออเขาแค่มาทํางานเพื่อรอสอบบรรจุครูเมื่อวันก่อนก็มาลาเพราะครูเป็นคนหนึ่งสอบผู้ช่วยเป็นครูดีๆไม่ชอบเป็นเป็นผู้ช่วยครูเพราะคิดว่ามันจะมีอนาคตเป็นข้าราชการแอบเป็นข้าราชการตอนนี้อยู่ไม่ห้องสอนเห็นไหมเป็นถึงระผู้บริหารจังหวัดเลยถูกย้ายเข้าไปอยู่ในกรมแล้วก็ไปไปยุ่งกับเรื่องคาประเวณีของเด็ก สังคมมันเป็นแบบนี้แล้วมันจะไปอยู่ยังไงเมืองไทยถ้าครูเราไม่ระวังเนี่ยนะครูไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเนี่ยเราจะไปสร้างเด็กให้มันดีได้อย่างไรมิแต่จะเอาตัวรอดสร้างฐานะตัวเองอยากสร้างฐานะตัวเองจนคอร์รัปชันจนจนทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ก็กล้าทำคิดได้ยังไงนะและที่หยาบลงมาเนี่ยเนื่องจากความอยากเอาเปรียบคนอื่นโยกโกรธหลงเนี่ย คอร์รนะัปชันเวลาทำงานด้วยคอร์รัปชันะ ruption, ชีวิตตัวเองคอร์รัปชันความดีของตัวเองเพียงเพื่อต้องการอามิตรต้องการผลประโยชน์เลวร้ายมากอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายที่สุดเราหลอกตัวเองไม่ได้หรอกเพราะจิตมันบันทึกว่าเรียบร้อยละเนี่ยเขาเรียกว่าคอร์รัปชันชีวิต แต่ทุกคนถุกคนเขาตาหน้าว่าไอ้ขี้โกงเนี่ยดีใจไหมมันไม่ได้ดีใจอะไรเลยแต่ถ้าเราจนไม่มีเงินเลยไปที่ไหนเขานับหน้าถือตาในความดีของเราเนั่นอันไหนดีกว่ากันเนี่ยความอยากมันทำลายชีวิตอันนี้เพรากูเกินเกินนะเช้านี้เกินเกินก่อนธรรมดาชั่วโมงนี้ที่แรกจะไม่พูดอะไร มันเหลือเวลาหน่อยหนึ่งก็เอามาเกินทีนี้คุณครูเนี่ยสี่วันนี้มาเนี่ยมารู้ว่าศูนย์นี่ทำอะไรเนี่ยเดินมานี่คือใครไอ้ที่นั่งข้างหน้าเรานี่คือใครเขาตัวเล็กๆขนาดนี้เขายังกล้าปลงผมลดไอ้ความสวยงามบ้าบาบอๆนั่นบวชให้ในหลวง แล้วคุณครูเราทำอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างนี้นะพราครูบอกแล้วสิ่งดีๆก็มีมันเป็นเรื่องหน้าที่ที่เราต้องทำดีไม่ใช่เรื่องพ่อกูก็ดีก็ดีแล้วแต่ไอ้สิ่งที่ยังทำไม่ได้ทำไมไม่ฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะความยิ่งใหญ่ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าคนอื่นมีฐานะดีกว่าคนอื่นดอได้เปรียบคนอื่นนะมันไม่เกี่ยว มันเกี่ยวกับว่าเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไหมในตัวเองไหมมีความซื่อสัตย์ไหมมีความสุจริตรไหมมีความเสียสละไหมทุกคนอยากช่างฐานะอยากอยากจนเป็นหนี้หมดเลยเมื่อเป็นหนี้แล้วก็เดือดร้อนแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยมาดูแลเด็กๆ เ, เอาเวลาไปคิดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินยังไงอันนี้คอร์รัปชั่นเวลาคอร์รัปชั่นชีวิตของตัวเองแล้วคอร์รัปชั่น เวลาขององค์กรด้วยเราคอรรัปชันเวลาขององค์กรคือเราคอรรัปชันประเทศชาติเพราะองค์กรนี้ไม่ใช่ของใครเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพื่อเราจะมาสร้างเด็กสร้างอนาคตของชาตินี่แหะสี่วันนี้เนี่ยมาแลกเป็ดคุณครูมีเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเนี่ยนะปรึกษาพ่อครูได้พ่อครูถือว่าทุกคนมาลงเรือลำเดียวกันเนี่ย พราครูไม่รับผิดชอบไม่ได้เห็นไหมพวกเราไปทําดีเนี่ยเขาชมเชยโรงเรียนศูนย์พระลานคอยเนี่ยทุกคนก็ได้รับความชมเชยนั้นถ้าคนในองค์กรเราไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเนี่ยคนทั่วโลกเขาจะมาที่นี่ทําไมมาดูความไม่เอาไหนของเราเหรอนะอันนี้เราเรียนไ ป, ปรพร้อมๆกันนะบางอย่างคุณครูต้องสอนเด็กๆ บางอย่างคุณครูต้องเรียนรู้กับเด็กๆเพราะบางอย่างเราทําเหมือนเด็กๆก็ไม่ได้นะโดยโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณ น, นะเด็กๆเหล่านี้เขาปฏิบัติตั้งแต่ตีห้ากว่าจนถึงกลางคืนสองสามทุ่มทุกวันแล้วเข า, เาก็เรียนด้วยการเรียนเขาก็ไม่ทิ้งเพราะคูก็ติดตามผลการเรียนเป็นยังไงนะแต่คุณครูอย่าเอาความเคยชินตัวเองว่าเฮ้ยเหมือนสอนโรงเรียนต้องเป็นแบบนี้ฝึกทักษะฝึกอะไร รโรงเรียนก็สอนโรงเรียนแต่ที่นี่นี่ทักษะของเขาเนี่ยอย่าว่าแต่นักเรียนคนอื่นทาไม่ได้เลยคุณครูก็ยังทาเหมือนเขาไม่ได้เขาตื่นเช้าทุกวันมาทาความสะอาดสาลาบางคนก็ไปปลูกผักนะทั้งวันเขาทําหน้าที่ตลอดเวลานี่คือทักษะชีวิตนะทุกคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เกินเกินแล้วก็บางที จิตพ่อครูมันเป่งออกมาแรงๆเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยคำดา่ากลายเป็นคําสอนถ้าไม่มีศรัทธาแล้วนี่ยคาสอนกลายเป็นคาําด่าพูดนิดนึงเฉียดหู ก, ก็รับไม่ได้นะฉันน้อยใจฉันจะตายนั่นแหละตายไปแล้วไงมีคนเขาเตือนสติเรายิ่งต้องลุกตื่นขึ้นมาต้องดีใจ เพราะเรามีอัตราตัวตวในน่ใครกล้าเตือนเราพราะ ค, ครูสมควรเตือนไหมขนาดเตือนกันมาเป็นช่วงช่วงบังเอิญว่า13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็หิ้วกระเป๋ามาเข้าค่ายบังเอิญเจอในหลวงท่านสวรรคตเราก็ไม่ได้เข้าค่ายอันนี้เป็นมันเป็นวิบากอย่างหนึ่งนะ พ่อครูไม่ใช่ไม่ทําหน้าที่นะพ่อครูไม่มีวันหยุดนะ28ปีมาอยู่ที่นี่ไม่มีวันหยุดแม้แต่หนึ่งวันทํางานทุกวันแล้วไม่ใช่เฉพาะองค์กรศูนย์เนี่ยศูนย์ก็มีกิจกรรมอยู่ข้างนอกต้องเดินทางนะพ่อครูก็ไม่เคยว่าบ่นว่าจะเหนื่อยนะพ่อครูเสียเปรียบใครเหลือไม่ได้กินเงินเดือนใครสักหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องบ่นไงมันมันเป็นความดีที่ทุกคนต้องทํา ไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งเราเป็นคนไทยเราก็ต้องดูหน้าที่ดูแลประเทศไทยและเด็กๆ เ, เหล่านี้เนี่ยเขายุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนนี่ก็คือคำขวญของโรงเรียนและคุณครูมีเวลามาคิดเรื่องนี้ไหมหรือจะเอาเวลาไปแก้ปัญหาหนี้สินตัวเองเอาเวลาเพื่อจะไปหาเอาเปรียบคนอื่นเอาเวลาเพื่อจะไปหาผลประโยชน์ เพราะครูเตือนนะอย่าทำเล่นนะกรรมมีจริงบุญบาปมีจริงนะ้พวกตะกะตะกามนั่นนะไม่ได้เกิดหรอกเป็นเปรตอสุรลกายเปนี่ปากมันเท่ากับรูเข็มนะ่ะทำบุญเท่าไรก็ได้มันก็กินไม่ได้อันนี้คือพวกโลกเราไม่เคยเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้เลยเราถึงกล้าไปผิดศีลไง นะก็ได้เวลาเนอะเดี๋ยว9ก้ามครึ่งเราก็เตรียมตัวปฏิบัติเวลานี่เหลือห้าหกนาทีเข้าห้องน้ากันก่อนนะแล้วก็เราปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนนะก็คุณครูผู้หญิงเนี่ยก็มาอยู่ตรงหลังศาลาตรงโดมโดมที่สองโดมข้างหน้านี้ของคุณเม่ชีเขาอยู่โดมที่สองแล้วก็ญาติโดมต่อไป แล้วก็ครูผู้ชายก็ต่อไปข้างหน้าก็เป็นเนนนะช่วงสี่วันนี้เราปฏิบัติร่วมกันนะคำว่าอาวุโสเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องอายุบางคนเขาเจ็ดขวบเนี่ยจิตวิญญาณเขาบารมีมากกว่าเราอีกนางวิสาขาบรรุโสดาบันนั้งแต่เจ็ดขวบนะมองเข้าไปในจิตอย่าไปมองถึงว่าเป็นหลงว่าอัตตาตัวเอ ง, ต, เองตัวเองเป็นครูตัวเองเป็นเอ่อเป็นอายุมากกว่า เรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตแต่ละดวงเนี่ยเขามีเอกสิทธิ์ของเขาโอเคนะไปไปเข้าห้องน้ำ